วิบัติแม้ทํากรรมกับพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดูมันมีอย่างนี้ตัวอย่างมันเห็นได้ชัดเจนขนาดพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกมหาสีอยู่วัดเมื่อเร็วๆเนี้ยไม่กี่ปีมานี้มหาสีสอบมหาห้าประโยคได้ตั้งแต่อยู่บ้านนอกเข้าไปอยู่กรุงเทพเทียนี้พ่อแกไปได้แม่แกยังไม่ได้มีทะเบียน พอท้องและไม่รับรองไม่รับว่าเป็นลูกแม่มหาสีนี่ก็ใจเด็ดก็เลี้ยงลูกกับยายมหาสีเกิดมาก็เห็นแต่แม่กับยายอยู่มาภายหลังมหาสีไปเรียนจบปริญญาตรีที่กรุงเทพแล้วไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอินเดียพอกลับมาเจ้าพ่อนี่เขียนจดหมายให้ลูกชายที่ได้กับแม่ใหม่ถือไปบอกว่าคนนี้คือน้องชายของท่าน ท่านช่วยอุปการะให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนพออ่านจดหมายเท่านั้นแหละมหาสีนี่ลุกปุ๊บปับ๊บกูไม่มีน้องกูไม่มีพี่มีน้องกูมีแต่ยายกับแม่มึงไปนะไม่ไปกูเตะคอหักเด็กหนุ่มมันกลัวมันก็หนีไปอา้าวนึกว่าจะเป็นเฉพาะแต่น้องชายมาหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันพ่อกับแม่ใหม่มามาก็มาบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นพ่อของท่าน พอได้ยินเท่านั้นแหละลุก ป, ปุ๊บ ป, ปั๊บขึ้นมาเลยกรรมมัดทำท่าจะเตะจะต่อยกูไม่มีพ่อกูมีแต่แม่กับยายยังจะมาบอกว่าเป็นพ่อมึงหมานี่ทำไว้แล้วไม่รู้จักเลี้ยงจากดูไม่รู้จักรับผิดชอบจะมาอ้าวว่าเป็นพ่อกูอยังไงวะไปนะไม่ไปกูเตะคอหักเลยพ่อรีบลุกออกจากกุฏิไปภายหลังมามาหาศีรึะไปไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ไปสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์ เขาก็สือประวัติว่ามีความประพฤติไม่ดีพอเสร็จแล้วก็เลยไม่มีงานทำเตะฝุ่นอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเพียงแค่นี้ก็บาปหนักบาปหนาเห็นทันตาอันเนี้ยรายหนึ่ง